ยะาพิโมเรอนุบดเวดันเหชินโนปิรุโคปุนาเรวรุหาติเอวัมปีตันหานุสเยอนุฮาเตนิพาตเตดุกามีดังปุนาปุนังยะสาชาติงสติโสตมาณปัสสาวะนาผูสา มหาวหันติทุทิทิ้งสังกปาราคณิสิตาสวรติสาปฏิโสตาละาอุพิชติธาติทันจาริสวารตังชาตังมูลังปัญญายาชินทตาสริตานิสินิตานิจา สมมาสานิบวันทิฉันุโนเตสาตสิตาสุเคสิโนเตเวชาติฉรูปคานรากสินายาปรักคตาปชาปริสปันติสโสวภาติโตสังโยชนสังคาัตตาดุคาบ ปันติปุนปุนังจิราญญาสินายาปุราคตาประชาปริสัปันติสะโสวาพาทิโตตัสมาตะสีินังวีโนเทเยพิขุอากังขังวิราคามัตโนต้นไม้เมื่อรากไม่มีอันตรายยังมั่นคองอยู่ ถึงจะถูกตัดไปแล้วย่อมงอกขึ้นได้อีกทีเดียวแม้ชั้นใดเมื่อตัณหานุสัยอันบุคคลยังขจัดม่ได้แล้วทุก์มีชาติทุกขน์นี้เป็นต้นย่อมเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปแม้ฉันนั้นกระแสะแห่งตัณหา36ที่ไหลไปแล้วในอารมณ์เป็นที่น่าชอบใจเป็นธรรมชาติกล้าแข็งย่อมมีแก่บุคคลใดความดําริ อันมากมายที่อิงอาศัยราคาความกำหนัดย่ำนำบุคคลผู้มีทิฏฐิชั่วนั้นไปกระแสของตัญหาย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงมีรูปเป็นต้นดุดตัญหาดุดเถวันแตกขึ้นแล้วย่อมตั้งอยู่ท่านทั้งหลายเมื่อเห็นตัญหาดุดเถวันนั้นแล้วซึ่งเกิดขึ้นแล้วจงใช้ปัญญาตัดรากเง่ามันเสียเถิด สมมนัสทั้งหลายที่สร้างไปและแปดเพื่อนตัณหาดุดยางเหนียวย่อมมีแก่สัตว์นาณปการเราสัตว์เหล่านั้นอาศัยความสำราญจึงเป็นผู้แสวงหาความสุขนราชนเหล่านั้นจึงเข้าถึงชาติชราพยาธิอยู่ร่ำไปหมูสัตว์ถูกตัณหา ทำความดิ้นรนแวดล้อมแล้วย่อมกระเสือกกระสนดุดกระตายที่ถูกในพานดักไว้แล้วฉะนั้นเราสัตว์ผู้คล้องแวะอยู่ในสังโยชน์และกิเลสเครื่องคล้องย่อมเข้าถึงทุกบ่อยๆมีชาติที่ทุกเป็นต้นอยู่ช้านานมูสัตว์ที่ถูกตั้นหาตัวทำความดิ้นรนห้อมล้อมไวแล้วย่อมกระเสือกกระสนดุดกระตายที่ถูกในพานดักจับไวแล้วฉะนั้น เพราะเหตุนั้นภิกษุผู้หวังซึ่งทำเป็นเหตุสำารอกกิเลสพึงบันเทาตัณหาตัวที่ทำให้ดิ้นลวนเสียควรขวายในการจะเข้าถึงพระนิพพานเถิดบทนี้เขาพูดถึงในเรื่องของภิกษุที่มีจิตใจคือกระตุ้นเตือนพทธเจ้าเนี่ยจะกระตุ้นเตือนภิกษุตลอดเวลานะว่าไม่ให้ประมาทความไม่ประมาทก็คือว่า ที่พูดเมื่อตอนฉันข้าวให้ล่กายยทุจริตเจริญกายยสุจริตและมีความไม่ประมาทในสองอย่างนั้นประมัดระวังอย่าประมาทอย่าประมาทให้บาปเกิดอย่าอย่าประมาทให้กายยทุจริตเกิดและอย่าประมาทให้กายยสุจริตหายไป <c oughs> ล ะ, ะวจีทุจริตแล้วก็เจริญวัจีสุจริตและไม่ประมาทในธรรมสองอย่างนั้น ก็หมายความว่าปิดไม่ให้วจัจีทุจริตเกิดแล้วก็รักษาวจัจีสุจริตไว้แล้วก็ฝึกในการที่จะเจริญวจัจีสุจริตไว้ให้ติดต่อและต่อเนื่องร่ ก, กายร่ามนโนทุจริตเจริญมนโนสุจริตแล้วก็ไม่ประมาทในธรรมสองอย่างนั้นอะไรที่เป็นโลภโกรธหลงก็ละอะไรที่เป็นความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เจริญแล้วก็เพียรวยญญาณไม่ประมาท ละความเห็นผิดอะไรที่เป็นความเห็นผิดนินดๆหน่อยๆให้เห็นโทษอย่าไปพอกพูนแล้วมันเพียรพยายามในการเจริญสมาธิิมีกรรมสกตา ar, สมาธิิเป็นต้นฝึกในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทก็คือว่า <S <S ไม่กําหนัดในอารมณ์มันเป็นที่ตัง้งในความกําหนัดไม่ขัดเครืองในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งในความขัดเครืองไม่มัวเมาลุ่มหลงในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งความขัดเครืองแล้วก็ไม่ ไม่เมาแล้วก็ไม่หลงสองอย่างในอรมณ์ปีติตั้งยห่งความมัวเมาเลยลุ่มลงถ้าทําได้อย่างนี้เขาชื่อว่ามีสติสัมผชัญยะอยู่กับตัว <c oughs> ก็ไม่ประมาทด้วเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมแล้วที่บอกว่าบุคคลที่มีสติกํากับอยู่กับตัวในการยืนเดินนั่งนอนในทางการทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยในขณะที่เราทํากิจกรรมดําเนินชีวิตต่างเหล่านี้ ฝึกสติให้เป็นไปกับการยืนเดินนั่งนอนมีสติกำกับอยู่กับตัวจเจริญสติปฐานตลอดต่อเนื่องทำกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยก็ทำด้วยสติสัมปชัญญะปิดบาปอกุศลด้วยและในขณะเดียวกันให้ใจเป็นไปกับความสุขทำความร่าเริงเบิกบานใจให้เกิดขึ้นเสมอเป็นฐานรองรับ จ, จิตใจและในขณะเดียวกันก็ทำศรัทธารักษาศรัทธาไว แล้วก็เพื่อพูนศรัทธารักษาความเพียรสติรักษาสมาธิรักษาปัญญาไว้เนี่ยนะและในขณะที่คิดถึงคนอื่นก็ให้คิดด้วยด้วยอาวิหิงสาไม่คิดเบียดเบียนเขาคิดเมตตาเขาคิดกรุณาเขาอย่างนี้เป็นต้นและในขณะที่เจอคนอื่นเขาพูดเสียงดังบ้างหรือเขาทาสิ่งที่ไม่ถูกบ้างก็ให้มีความอดทน ถ้าทำอย่างนี้ก็เรียกว่ารักษาคนอื่นนะชื่อว่ารักษาตนด้วยและในขณะเดียวกันรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นตนคนอื่นด้วยในขณะที่รักษาตนก็คือรักษาใจเราให้เป็นกุศลดูแลให้ได้กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วก็มัน่นเจริญสมาธิฏฐิอันนี้รักษาตนรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นด้วยใช่ไหม เวลาจะรักษาคนอื่นเวลาคิดถึงคนอื่นก็คิดได้ด้วยอวิหิงสาไม่เบียดเบียนคิดด้วยเมตตาคือความรักปราถนาดีเ อ, อื้อทอนคิดด้วยกรุณาแล้วก็คิดได้ด้วยอดทนอดทนต่อพฤติกรรมที่เขาทาผิดบ้างไม่ผิดไม่ถูกบ้างหรือถูกไม่เต็มที่บ้างถ้ามีความยอมรับได้ด้วยปัญญาเข้าใจว่าเขาสั่งสมมาแค่ไหนได้แค่นั้นเราอย่าไปจัดแจงเขาเลย ความสามารถถึงก็ว่าไปแต่ความสามารถยังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเออทํากิจการใดๆในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นไปด้วยรักษาคนอื่นเราไปอยู่หนะ้าที่ไหนก็รักษาคนอื่นด้วยรักษาตนเองด้วยอย่างนี้อยู่ล่ําไปนี่เรียกเจริญสติแม้ในตนเองในบุคคลอื่นเข้าใจใช่ไหมยากไหมถ้าทําแบบนี้อเอ อ, เ, อ, อเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าการทํำบ่อยๆทําติดต่อและต่อเนื่องก็เรียกภาวนาทำให้เจริญขึ้น สิ่งที่ยังไม่เกิดให้เกิดให้มีขึ้นนะที่เกิดที่มีขึ้นแล้วก็ให้เจริญไปบูญยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่กรียการูนามีจิตใจที่น้อมกรุณาเอื้อเย็นเดีอยู่แล้วก็ฝึกให้เกิดบ่อยๆบ่อๆ่อยๆบยๆเวลานึกถึงนกร้องเนี้ยแล้วก็มองด้วยอวิหิงสาไม่เบียดเบียนเออขอให้เขามีความสุขที่นี้ยถือว่ารักษาเขาแล้วเมื่อรักษาคนอื่นชื่อว่ารักษาตน และถ้าไม่นึกถึงคนอื่นไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ดูแลตนเองก็ให้เจริญกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตเจริญสมาธินี่รักษาตนก็ชื่อว่รักษาคนอื่นด้วยเห็นไหมแค่นี้ยหลักการปฏิบัติในชีวิตจริงๆอันนี้เรียกกุศลธรรมเกิดขึ้นจริงๆคนส่วนใหญ่ก็ก็ก็เจริญกันไม่เป็นใช่ไหมเออท่องหนังสือเอามานั่งกรรมฐานมาอะไรไปกันใหญ่เลยแต่เนี้ยตะเลิดไปหมดเลย แต่ในชีวิตจริงเข้าถึงไม่ได้ขั้นจารีตศีลมีปัญหาเลยใช่ไหมนี่เราก็พยายามฝึกให้เกิดให้มีขึ้นอย่างเงี้ยก็อคอยจี้คอยแนะนำคอยบอกกล่าวอยู่ตลอดอยมันจะเจริญนะเอาตรงไหนที่มันติดขัดที่ผ่า น, านมาธรรมะข้อไหนปฏิบัติแล้วติดขัดสติใช่ไหมวิธีการเจริญสติทำยังไงสติเนี่ยมันมีทั้งสองส่วนมีทั้ง n ิ g a t i v e กับโสพสตีบอันนี้กระทีก็คือทั้งด้านลบก็มีทั้งด้านบวกก็มีสติในแง่ในแง่ลบในแง่ลบนั่นก็คือในแง่ของการที่ว่าฮะใช่ก็คือว่าไม่ป้องกันไม่ให้ไปทำบาปกายยะทจริตนี่เจ็บนอนทุจริต ทานในแง่บวกก็คือพอกพูนเจริญกายาสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตสมาธิเนี่ยสติมีสองอย่างบางทีสติมองในแง่ของป้องกันบาปแล้วก็เจริญกุศล น, <c oughs> นั้นสติมันสติมีสองส่วนมีส่วนทั้งบวกและลบแล้วมันก็จะมีฝ่ายที่ควรปิดกั้นส่วนที่ควรเจริญจนปิดไม่ให้บาปเข้าไม่ให้ราคาโทวสามโมหะไหลเข้าสู่จิต ไม่ให้กลมนิวรน์ทั้งหลายหลายเข้าสู่จิตไม่ให้อากุสะรรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายหลายเข้าสู่จิตอันนี้ด้านไหนบวกหรือลบปิดด้านลบแต่ปิดบาาเจริญบุญเอยด้านบวกเห็นไหมเนี่ยนั้นสติมันจะมีสองด้านสติด้านไหนแข็งแรงอ่าอย่างนี้ต้องเจริญใช่ไหมก็นี่ลักษณะเนี้ยอะไรเป็นอาหารของสติ ใช่นี่ท่องได้ใช่ไหมไอ้ตัวยอะอิศก็การเปผู้ฉลาดคิดคิดพูดเป็นทําเป็นพูดเป็นกินเป็นดูเป็นดมเป็นฟังเป็นสัมผัสเป็นคิดนึกเป็นสื่อสารเป็นโอ้เรื่องใหญ่เลยตรงเนี้ยไอ้ตัวตัวตัวมนสิยการตรงเนี้ยเป็นปัจจัยเกิดสติแต่ต้องมนุิการเพื่อจะให้สติเกิดเนาะ ต้องใส่ใจลงไปเลยว่าเราจะใส่ใจเพื่อให้สติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญการใส่ใจอย่างนี้การมานสัสการอย่างนี้การน้อมใจในลักษณะอย่างนี้เรียกเป็นการเจริญสติ <c oughs> ไม่ใช่ว่าพอบอกโยวนิโสก็ฉลาดคิดไม่ใช่มีความตั้งใจจงใจมานสัสการหรือว่าจะให้สติเกิดเจาะจงลงไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่น <c oughs> จงใจตั้งใจจะให้ศรัทธาเกิดมันไปผลักดันฉลดศรัทธา จงใจตั้งใจที่จะให้ความเพียรเกิดมันไปเป็นปัจจัยโดยความเพียรจงใจตั้งใจที่ให้สติเกิดถึงจะเป็นปัจจัยเกิดสติจงใจตั้งใจที่จะให้สมาธิเกิดสมาธิก็เกิดจงใจตั้งใจที่ให้ปัญญาเกิดปัญญาก็เกิดเห็นไม่พอบอกโยนิโสมันกว้างอีกแล้วต้องเจาะจงตัวเข้าไปว่าจะให้อะไรเกิดโดยมากเราก็เลื่อนเลื่อนเลยลอยไม่ได้เจาะจงเจาะลงไปให้เป็นชัดลงไปเลยใช่ไหม ถ้เจาะให้ชัดลงไปเลยเออนี่ก็เราจงใจตั้งใจที่จะให้สติเกิดสติที่ยังไม่เกิดก็จะได้เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนิโยนิโสมนานสิการนี่เป็นอย่างนี้ก็ทุกวันนี้เวลามองมองอะไรก็มันเป็นกรณีศึกษาหมดเลยได้เรียนรู้ได้ฝึกได้พัฒนาได้เจริญได้ทํากุศลให้เกิดขึ้น จเจริญขึ้นภัยบูร์มากขึ้นแล้วให้จิตใจโปร่งล่าเริงเบิกบานตลอดเป็นไหมเป็นตลอดไหมถ้าไม่เป็นต้องฝึกอะไรล่าเริงพราะอะไรเอาไปบินทบาตได้ถวายทานได้น้อมมาหารถวายสงไม่ลควรล่าเริงไหมได้ทำกิจวัตรได้ไปร่างจาร ได้เบกปัดกวาดเช็ดถูมันควรล่าเริงทั้งนั้นเลยกิจกรรมทั้งหลายได้ทวนหนังสือได้ฟังธรรมโอ้เรื่องล่าเริงเยอะหมดแต่เราเก็บไม่เป็นเนี่ยมานสิ ก, การใส่ใจไม่ถูกก็ใส่ใจลงไปให้ใจิตใจล่าเริงเบิกบานเบิกบานเบิกบา น, บบานตลอดถ้าทำได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยปว่าฐานรองรับขั้นแรกเนี่ผ่านแล้วนี่ปีติจะเกิดง่าย ออกมาราการเรื่อยๆพอกุศลเกิดเรื่อยๆปีติเกิดคนลูกชัวชันอยู่เรื่อยเลยโอ้ยชื่นใจบ่อยไหมอย่างเงี้ยเลอเนี่ยพยายามถ้ายังไม่ได้ก็ให้ล่เลยให้เล่าเลยบ่อยๆบ่อยๆ่อยๆแต่าทาเนี้ยเนี่ยที่สาคัญที่สุดก็คือว่าจะไปที่ไหนไม่ได้สําคัญสําคัญตรงที่ว่าเดินกุศลได้ไหมนี่ชีวิตมันอยู่ตรงนี้ฮะที่มันสําคัญที่สุดสิ่งที่เราเข้าไม่ถึงก็เพราะแต่ก่อนเราได้กามาสุขสุกจากภายนอกสุกจากสิ่งเสพ สุขอากจะได้จะเอาสุขจากการสแสวงหาสุขจากการพึ่งพาเป็นความสุขที่อ่อนแอมากแล้วก็ต้องเพิ่มปริมาณสิ่งเสพเพิ่มปริมาณสิ่งการสแสวงหาเพิ่มแล้วก็แยกแยกจํานวนสิ่งที่จะต้องการมากขึ้นมากขึ้นเพื่อเติมเต็มเนี่ยไอ้สุขแบบนี้เราก็ตินหลงมาตั้งสามสิกว่าปีแล้วมันเป็นอย่างนี้ตลอดบอเอ้ยหยาบมากพัฒนาจากการสุขจากการได้ทํา สิ่งที่ดีงามได้ก่การได้สละได้เจริญศีลได้มีเมตตาได้มีกรุณาได้มีมุทิตาได้มีศรัทธาโอเนี่ยฝึกใหมันได้จริงๆตรงนี้ยังได้น้อยได้สัมผัสน้อยแบบบบแบบเนี่ยต่อไปฝึกให้ันเป็นเนื้อเป็นตัวจนชำนาญเลยเนี่ยคิดเมื่อไหร่กุศลเกิดปุ๊บปุ๊บติดต่อได้เลยท่านี้ชัดมเนยให้มันได้อย่างนี้นี่สุขจากการเจริญได้ทําสิ่งที่ดีอางนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ควรทําให้เกิดให้มีขึ้น ได้เห็นสิ่งต่างๆก็เป็นกรณีการได้เจริญกุศลเนี่ยมองเพราะเราได้บูชาพระเดจจังเวลาเรามาอยู่ที่ตรงเนี้ยอาจารย์คิดไปถึงที่โอ้ตอนนี้ที่เพชรบูรณ์ก็ได้ได้ดูแลสงอาพาด้ะให้ที่อยู่อาศัยได้เครื่องดุ้งขมให้ยาให้อาหารแล้วก็ได้ดูแลได้อุปถากท่านโทรไปบอกยมน้องๆบางยมแม่บางเออดูแลท่านได้ดีนะเป็นบุญมากท่านมนุกข์เรา เป็นการละทานด้วยได้ดูแลผ้าป่วยเท่ากับอุปถาพุทธเจ้าโอ้เนี่ยก็บอกยอมดีใจเห็นไหมเออที่นี่เราก็ได้ดูแลเดี๋ยวพระ ส, สง์ไปมาต่างๆดูแลตลอดเนี่ยก็ทำดูแลที่สง์ถวายเป็นพุทธบูชาโอ้เลยได้ได้เจริญกุศลมองไปที่ไหนมีแต่กุศลเต็ไมไปหมดใช่ไหมนี่เป็นเรื่องบวกเรื่องบวกกุศลเกิดเกิดเกิดเกิด ในแ่ลบก็ปิดบาปเออเออวลาบาปจะเกิดได้ยินเสียงที่ไม่น่าชอบใจอดทนเมื่อคนอื่นทำสิ่งที่ไม่ชอบใจกันเราก็ได้อวิหิงสาได้ขันติ่ไหได้ความคิดไม่เบียดเบียนได้ขันติได้กรุณาได้ความเข้าใจมองโลกและชีวิตและเข้าใจเขาโอ้รักษาคนอื่นด้วย รักษาคนอื่นก็รักษาตนดีๆดีดดอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดไปทุจรลายเข า, าซิ่รักษาคนอื่นรักษาตนด้วยในขณะที่อยู่กับตัวเองโอ้ก็เจริญกุศลหมวดไหนที่ยังไม่คล่องคล่องทำให้คล่องวุ้ยศรัทธายังไม่คล่องปึกให้คล่องสติยังไม่คล่องปึกให้คล่องอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างเงี้ยได้เจริลนี่รักษาตนเองชื่อรักษาคนอื่นไหมเหมือนอยู่ด้วยกันเนี่ยนายก็รักษาตนเองอาจารย์ก็รักษาตนเอง พอค oh, ิดถึงการการักษาอีกฝ่ายหนึ่งก็เชื่รักษาตนเองตลอดโอ้โหกุศลเกิดทั้งที่ดูนึกถึงตนเองกุศลก็เกิดนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงสิทธิทีหาเล็กคุกกุศลก็เกิดนึกถึงเพื่อนประพฤติพรหมอาจารย์ก็กุศลก็เกิดเกิดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะคิดในแง่ไหนมุมไหนได้ดูแลได้ปัดกวาดเช็ดถูโอ้ยเกิดหมดเลยทีนี้ลักษณะอย่างเงี้ยเราคิดได้ทั้งแง่รอบแง่บวกคิดได้ทั้งฝ่ายเห็นการปิดบาปทั้งเจริญบุญ ทางนี้ชัดและสติเริ่มมีกำลังแล้วนี่สติในภาคปฏิบัติต้องเอามาใช้ได้อย่างนี้จริงๆพอพูดแค่ น, นี้ปุ๊บแต่ที่ต้องไปเจริญนี่โหต้องใช้เวลามันจะเผลออยู่เลยใช่ไหม ก, ก็ต้องไม่เผลอมันอะไรมันทำให้เราเผลอโอ้มันไหลเข้าสู่จิตเหตุผลที่เราทำให้มันไหลเข้ามาแปลว่าเราขาด ขาสติเ ห, หมือนกันโอ้อยเงี้ก็ต้องคอยสังเกตไม่ได้ไม่ได้ไไดอ๋อแล้ปล่อยนีิวรณเข้านี่เองมันมาจากจิตไม่เบิกบานกันจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโปร่งเบาหายใจออกคนก็ทาํางานแตกต่างเลยเรามองตั้งที่ไหนเรามีเวลามากกว่าคนอื่นเราได้โอกาสกว่าหลายๆคน ได้มีโอกาสเจริญกุศลและเจริญได้ตลอดด้วยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาสอนกันเขาก็จะสอนเฉพาะในตำราสังเกต ด, ดูเอาตำรามาอ่านอ่านอ่าอ่า น, น, น, นจบเลยแล้วคนไปคิดเองแต่ยานไม่ตำราล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวตำราไปอ่านดีแล้วให้มันเข้าใจก่อนพอเข้าใจแบบอ่านตำรามันจะชัดขึ้นชัดขึ้นอ๋อเข้าใจแล้ว เพราะการในขณะที่อ่านตำราปฏิบัติธรรมะไปยังไงต้องเข้าใจอย่างนั้นดนี่สำคัญที่สุดเน่ย น, นะการมานสิการนี่ถูกทำข้อไหนที่ที่เจริญได้ค่อนข้างดีที่บวชบวช <c oughs> ข้อไหนที่เจริญเพราะนี่เรามีเวลาปฏิบัติอีกเท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิสองใช่ไหม ยีอหรือยี่สบสอเราเรามีเวลาปฏิบัติอีกประมาณสิบ้าวันที่เราจะฝึกปฏิบัติของเราประมาณแล้วเราก็จะขึ้นไปทีนี้เราไปอยู่ในกลุ่มชนที่เขาฝึกกันมาพอสมควรวอะไรไอตรงเนี้ยเราต้องเราต้องพัฒนากว่าเขานั้นสิบกว่าวันเนี่ยเราต้องพัฒนาให้มากมากกว่าเขาแต่ไม่ได้ไม่ไดไ้ไม่ใช่รีบร้อนแต่เพียงว่าเราฝึกสติของเรานี่ยเดีไม่ต้องรีบร้อนอะไรแต่เพียงว่าเราทําให้จต่ตอนเนื่องมากขึ้น คือเขาเห็นเราเขาต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงเราเขาต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราชัดขึ้นละอายบาปเกรงกลัวบาปเออดีเนี่ยตรงเนี้ยดีงั้นเราเวลาไปตอนไปที่สวนนารายกับโยมปุ๊บโยมต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราชัดเจอโยมหน่งปุ๊บโยมโหน่งมองเราถ้าต้องกำกับก็ได้เลยต่อไปโยมหนองต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงโยมแนม หรือพ่อแม่มาเห็นเราเนี่หรือใครต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงในเราท่องใส่ล่าเริงเบิกบานเม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ทำตัวก็ทำตัวในทีทำตัวแบบเป็นแต่จริงๆแล้วเจริญถูกฟังเขาเขาพูดยังไงก็ฟังคือในขณนะนั้นเราก็ไม่เบียดเบียนเขาเมื่อเจริญกับเขาถูกมีสติกำกับอยู่กับตัวด้วยไม่เบียดเบียนเขาอดทนฟังสิ่งที่เขาพูดมีกรุณาต่อเขามีเมตตาต่อเขานี่คือว่ารักษาเขาด้วย ในข น, นาสนนนารักษาเขาก็ชื่อว่ารักษาเรารักษาตนนะรักษาคนอื่นชื่อว่ารักษาตนเองด้วยแล้วถ้าหากไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาก็รักษาตนเองก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นไปด้วย<笑><笑>เห็นไหมทุกเรื่องเลยต่อไปมันจะเจริญธรรมะได้ในชีวิตจริงเหมือนอาจารย์คิดถึงท่านนะอาจารย์ก็เอาวิหิงสาไม่คิดเบียดเบียนขอให้มีอายุยืนกรุณาบอกพระธรรมคาสอนให้ แล้วก็มีเมตตาลักปรารถนาดีเอือ้ทอทรแล้วก็ทนนะถึงไห้ทําผิดบ้างถูกบ้างอะไรต่างๆอ๋อยังเป็นกําลังผู้ใหม่อยู่ผู้ฝึกอยู่อันเนี้ยก็วางใจวางท่าทีทางใจเนี่ยรักษาท่านนายใจ ก, ก็รักษาตนเองด้วยไม่ให้บาปเกิดขึ้นกับตนนั่นเองให้ปัญญาให้ข้อฝึกเกิดขึ้นกับตนเองตลอดวเวลาเลยนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้บ้างเห็นไหม นี่คือการปฏิบัติธรรมะในชีวิตจริงๆมันปฏิบัติได้จริงๆไหมแบบนี้ปฏิบัติได้เลยแต่ก่อนไม่ได้คิดมุมนี้ใช่ไหมเลยแต่มันไม่ค่อยชัดใช่ไหมแต่ตอนวันนี้ชัดขึ้นไหมเออมันจะได้ชัดขึ้นอ่าใช่ใช่ใช่ใช่ใชใช ตอนนั้นอาจจะไม่ได้พูดชัดแบบนี้อาจจะไม่ได้ยกอุปมาอุปไมรตรีตอนนี้ยกชัดขึ้นให้เห็นชัดขึ้นใหเห็นมุมขึ้นเออก็สังเกตสังเกตอ๋อยังเจริญไม่ถูกก็บอกบอกบอกวิธีเจริญมากเราจะสวดมนต์เราจะทําอะไรทั้งหลายโอ้โหกุศลเราเกิดตลอดแต่ก่อนเราจะเก็บเกี่ยวบุญไม่เป็นนะแต่ตอนนี้เราเห็นอะไรเก็บเกี่ยวได้หมดใครสามารถเจริญกุศลได้มาก ต่อเนื่องเด่มากคนคนนั้นก็ได้อริยทรัพย์ทุกวันอริยทรัพย์คือศรัทธาอริยทรัพย์คือศีลคือสุตะจารค้าปัญญาอริยทรัพย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นตน้นอริยาทรัพย์คือพรหมวิหารสติปัฏฐานเป็นอริยทรัพย์มดเลยเก็บให้ได้เราสะสมทรัพย์ภายในชาวบ้านสะสมทรัพย์ภายนอกแต่เราสักสมทรัพย์ภายในเราจะรู้ว่าเรารวยขึ้นหรือ ย, อยัง ต้องเก็บใช้ศรัทธาทำศรัทธาไปดุดดังมือเก็บเก็บเพชรนินจินดาที่มันล่วงหล่นเก็บศีลเก็บสมาธิเก็บปัญญาเก็บให้นะเห็นอะไรเก็บให้หมดเรามีมือคือศรัทธาแล้วเราจะเก็บให้หมดเราไม่ใช่คนมือขาดเราไม่ใช่คนมือด้วนเก็บตลอดเลยเก็บไหเออเก็บใหญ่เก็บเก็บเก็บอริยทรัพย์เราใ้เราไม่ยากจนถามว่าคุณเข้ามาในศาสนามาทำอะไร มาเก็บอริยทรัพย์เก็บต่อเนื่องไม่มัวกังวลคนอื่นเราเก็บได้เรารวยใช่ไหมเรากลัวความยากจนกลัวคนกระจอกเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราไม่อยากเป็นคนอนาถาเราต้องการรวยจากอริยทรัพย์เข้าใจชัดไหมเนี่ยเก็บตลอดเลยวันหนึ่งเก็บได้เยอะถ้าไม่หลงลืมซะก่อนใช่ไหม บางทีวันๆหน่โอ้จนตลอดเลยนี่ห้ามแสดงว่าเราไม่รวยต้องเก็บเก็บให้ติดต่อและต่อเนื่องเก็บสม่ำเสมอนี่เก็บอรยเทรั์พอชัดเจนนะดนิมีอะไรอีกไ้มไม่มีอ่ะโอเคจะเริญนธรรมก